แต่ว่าถอดใจคว่วต้องเคยอดๆสร้างบา ร, รมีมากนานชมกวนจริงๆมาโซ่เปลี่ยนโซ่ตายถึงเพียง น, นี้ไพยไกระไเวลาขนหน่อยเขานอยเขาแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งล้วจะปั่นเวลาออกกั่ไหนมีซีโซมง ให้เป็นเรื่องของเฮ้ามีอิสร ะ, ะควมบ่อถอยกับแม่อิสร ะ, ะของเฮ้าความบ่ทอถอยกับแม่อิสร ะ, ะของเฮ้าไม่มีปุ่ยใดบังคับใดเขามีอิสระอย่างเต็มที่แล้วเดียวนี้แต่ว่าเฮ้าสี่เอาอิสร ะ, ะทางทอถอยหรือเอาอิสร ะ, ะทางบ่ทอถอยขนาดเดียว เป็นของทิพย์เ ป, ปล่าสิไปทั้งผิดก็เป็นของทิพย์เ ป, ปล่าจะให้ผลต่างกันสิไปทั้งถือก็เป็นของทิพย์เรามีอิสร ะ, ะทั้งนั้นแล้วจะเอาอิสร ะ, ะอันใดเราก็มีเลือกได้ แล้วสิเอาทั้งถือหรือทั้งคิษเป็นที่เพลิงของของเห่าก็เลือกได้ ระธรรมาเทศนาโย่หู ก, กีกามีถ้าแท้ธมมเทศนาอย่ปากก็มีพระเท้ามะเทศธรรมาเทศนาโย่แขว์โย่กระผงแก้มก็มียำเขาอยู่นี่คือหางม้านี่ยปนกับ น, น้ำไรยนี่มหันเนื้อลืก็บโย่ผงแก้มธรรมาเทศนาอันนี้ธรรมาเทศนาผวกไฟไปฏิกูลนี่ ปากเชี่ยวเล็กๆอ้าออกมาให้เบื้องลุงลักษณะมันเป็ีนยังไงอันนี้ก็เป็นธรรมเทศนากินเข้าไปแล้วไปปะปนกันอยู่ทั้งอาหารใหม่อาหารเกาอย่านี้นก็เพาะกินมันเป็นยังไงสีมันเป็ี่ยนยังไงคืออย่างมักสร้างเมื่อ มันย่อยออกมาแหละออกมาตามคุ้มค้นคุ้มผมออกมาดังเหลี่ยกว่าขีมูกออกมาทั้งหูเป็นไข่เหลียกว่าขีหูออกมาทังตาเหลี่ยกว่าน้ำตาและขีตาออกมาคุ้มค้นคุ้มผมเหลี่ยกว่าน้ำเหื่อหน้ำไข่ มุ่งนี้มิได้ธรรมเทศนาทั้งนั้นออกทั้งทว่า น, นักทวานเบาเหลียงปัสสาวะอุจจาะนี่กำนีได้ธรรมเทศนาทั้งนั้นแก้มตอบฟันหักมุ่งนี้กับธรรมเทศนาทั้งนั้นคว่ำหนาวก็เป็นธรรมเทศนาทั้งนั้น ได้ทุกขังหาผ่ามาห่มว่าสบายกายใจปรากฏรูอยู่ใจปรากฏรูอยู่รู้อยู่หอดนะฮะอาบน้เนียฮะเข่าห่มนีะฮะพัดล่มมู่นี่เป็นธรรมาเทศนาปวดอุจจละก็เป็นธรรมาเทศนาเพรามันปวดสะก่ดยังไป ปวดปัสสาวะกับเป็นธ่ามาเทศนาะเพราะมันปวดตะก็มันจะไปหายใจเข่าออกกับเป็นธ่ามาเทศนาะเพราะมันบรรเท่าทุกข์มันมาหายมันจิตายชีพจรเดินตึงตึงตงติงต้งอ่งนี้นตะกนละกายเกิดเป็นธรามาเทศนาะถันบ่เดินกะต้องตาย สามสมมติส่วนสิ้นทําบริดตายไปใช้ไปปฏิบัติได้ท่าได้กระซำนั่นลขนะขนตะ้เศษงอกออกบนสุ ก, กปกที่ร่มผ้า มันหล่มผามันสกปกมันได้กินได้ไข้สกปกมันก็เลยง่ามอุปมาคือหา่าเกือกองขี้กล้วยทั้งหัวไอมันฟุ่งขึ้นพุนไอควมป่วยควมเนาวมันตีขึ้นทั้งเครงพุนมันก็ยู่นอกงอกง่ามด้วยนนำเงือน่ำไข้ด้วยอาหารที่เฮาดืมลงไปสอบค อ, องเนาวองเหม็น ขององไปในถ่องของเหามันต้องเปื่อยต้องย่อยออกมาตะกอนจังเป็นที่เรื่องร่า ง, งกายพระอยู่ประทังประทังไปลมหายลมเลอะลมไอลมจามกินข้ามันเป็นยังไง นมหายใจออกกินของมันเป็นยังไงต้องหายใจกันมึงดูหาออกสะปากฮ่าสิ่ึงดูกินมันติออาปานนนเป็นยังไงนี่จะทรรมเทศนาทั้งนั้นจิตสิร่วมบืร่วมกสร้างค่อยพี่เจ้าน่านเนื่องเธอธรรมาหากรตะปะข้าพรเจ้าจัดไม่เอาสติออกจากกายจะพิ่เจ้าน่าร่างกายเป็นอารมณ์ นี่คอนึ่งคอนึงข้าพระเจ้าจักมีค่วงเก่ีนไก่ที่สุดเมื่อเข่าไปในมูสงนี่ถ้ำต้นเป็นคน้นไมเสมอสเสมอคอนึงอีกไม่ยังหนอ คอหนึ่งจะเข้าลบสูงที่สุดเมือ่อในเข้าไปในมูสง่งเลยคอหนึ่งจะไม่ชูช้งว่วงเข้าไปสู้ตระ ก, กูลคือมาทันคอหนี้งบัครับกันบัถือก็ขออภัยสู้มันรับเลยนี่โอาวาดช้มขอสนัดผูกขาดพระองค์เจ้าเย่ห้บวช เรียกว่าพมหาคัจปาบวชโดยโอวาทสามขอ้อพิษมูว ม, มัญญติเ จ, จตุ ธ, ธกัร ม, มาว่าจา้าวมมนเอหีพิกุอุปสัมปทาว ม, มันติสน น, นัคขมโนอุปสัมปทาองค์ได้ยอมให้บวชพระมหาคัจปะ ตั้งไวท้ที่ตังหห้งไว้เนื้อพระอนุตอีกตั้งไว้เป็นที่สองที่สามของพหมคขลานาาลิบุตรเหตุังสั่นทุตทุนลาภิกษุนีไปประมาทเพิ่นเพิ่นยังอ้างอันนี้คื้เนี่ยพระองค์ก็ตั้งเราไว ในสัปดที่สองเล้วเพราะพระมาที่สองที่สามของพระมหาการของพระชายาลิบุตรก็บหกานะเละ้วะพอะอนุนยังเป็นที่สุดท้ายของพระมหากัารตป้าลงมาเป็นลำดับคุณวุฒิพราะนางทุดทุนล่านไปเทศน้างพิกซูนี่พระมหากัรตป้าไปเทศนางพิกซูนี่ นางพิกษุลีทุตทุนลานประมาทพระมหากฐปราวาังคลายบอกมวงแผ่นเศ้าสวนขม น, นาขมตาพระ อ, อนุนนางเลิบัตร อิ่งเกงได้ให้พี่เจหน้าให้นักทั้งพี่เจ้นหน้าขันห้านักทั้งพี่เจหน้าล่ะทั้งผาดกับว่าถึงเก้าวหัวตีดินซึ่งได้ห้าวว่าเลพี่จ้าหน้ากันผาดมึงมีประตูกแกะมึงเาของพายนอกภายหน่อด่านภาวนาสมร t h ก็เหมือนกันด้านภาวนาอิปัชนาก็เหมือนกัน ด่านเกี่ยวกับสีลวัดก็เหมือนกันวิเศษอันเดียวเที่ยวสงสารเยี่ยวแล้วขวอมลุงอันเดียวเที่ยวสองสารเยี่ยวบแล้วขันบัหลงกับ่ัเที่ยวขันบัหลงมาเกิดกับบได้เกิด มันลงมามันยังว่าเกิดดีอยู่ขันเห็นไพ่ในเกิดอย่างเต็มทีเด่ยมันทิมาเห็นยังขันเห็นไพ่ในแก่ย่างเต็มทีเด้อมันทิมาเห็นยังขันเห็นไผ่ในเก็บอย่างเต็มทีเด้อมันทิมาเห็นยังขันเห็นไผ่ในตายอย่างเต็มทีมันทิมาเห็นยัง เคยเห็นไผ่ในรูปในโกรดในหลวงย่างเต็มทีเนี่ยคันนี้มันจะเอาพืชเอาพันธมาจะใสอันนี้ที่เป็นเขาปลูกมั น, น, ม น, ม น, นสิ่งไหนมันไม่เห็นไผ่เสีห้มันเว่นมันก็เพราะใจเว้นแล้วมันก็นยังว่ามันเสบอยู่ดีส่วนเห็นว่าเห็นเสี่ยหาไผมาเห็นหอาย ขันพ ญ, ญากิดตลาดบ่เห็นเองขันสติปัญญาว่าเห็นเอง <c oughs> ขันว่าศาสตร์มันปิดบังนะเท่ากับว่พ่อสิตามเห็นขันว่าแกเก็บตายปิดบังเท่ากับว่พ่อสิตามเห็นคันว่าค้อมเปื่อยควอมเนามันปิดบังอยู่วย ห้ากระบะสาส์มที่พี่แกหน้าเปื่อยเนาอะไรมันบวบิดบวบังที่คันว่ามันปิดมันบังห้าวขี่ออกมามันจะมาเหม็นแทะมันฉันผู้หอมสันอาถือว่าเป็นของธรรมดาข้งเป็นธรรมดาเหม็นเนี่ยทวางหนึ่งว่ามันธรรมดาหอมดิเขาเกิดมาแก่เก็บตายมันก็เป็นของธรรมดาเนี่ กระรมดาทุกันนี้ผลจะคมนลงมไปแล้วผลเป็นธรรมดาสุขกันเนี่ย งานผู้ใดหลายเส้นก็งานของกิเลสงานของความสงสัยแล้วมันหลายผู้พันธุ์บวชกิเลสพันธิมีงานนิยังพันธิเหตยุบัดมือกับว่าเป็นงานพันธิเวาหยุดบัดมือกับว่าเป็นงานพันธิยางวัดมือกับว่าเป็นงานเขามันแล้วเมื่อแล้วเพิรนมีตะคันทวีบอกวันล้วน หฮาพันบนี้ีกิเตสพันน้ำยุ่นดีน้าจองหันทวิบากนู่นดีกิเลสน้าห่วงน้ำห่วงน้ำห่วงยู้นนี่กนเสีว่าพื้นม่านขาสองแันสองหัวหนึ่งเลยเป็นม่านม่านแก่ม่านเก็บม่านตายมันเป็นม่านไทยมันก็เป็นม่านมั่ น, นั้งเนี่ ว่าห้าบโมมีอยู่ในหันเกียวว่ามันเป็นม่านม่นขันทะม่านม่านคือปัญจขันเ mm hmm. กเลต ม, ม่านม่านคือกิเลตอภิสังขารม่านม่านคืออภิสังขารอาภิสังขารมีสาม ปุ่นญ้าพิษสังขารเนพรีพิสังขารคือบุญอปุ่นญ้าพิสังขารอนรี่ิสังขารคือบาปอันนี้อชาพิษสังขารอนรี่ิสังขารคืออันนี้นอันชาสัตว์ทั้งหลายไปติดยุหันแหละขามพกขามศาสตร์บ่ได้เพราะสิ่งเหล่านี่ยังเกิดแปรปรวนได้ละไปอยู่เดียังมาให้มันของจริงบ่ไหนนัจจุบันม่มามนคือมรณนะ ความตายก็เป็นม่านอันนึงมันเป็นม่านยังมันก็เป็นม่านกับความตายผู้ใดอะไรพูดอะไรรับม่านความตายกับผู้ตายนั่นแหรับม่านแต่ว่าม่านทั้งหลายกิลเลสม่านเป็นตัวสําคัญ ขันธ์ชนะกิเลส ม, ม, ม่านแล้วม่านมู่นั่นบวชได้กัดศณะไปได้ตัวพอบอรบวได้มากคือเกลียกเก็ บ, กบตาย เป็นขี้ขากินเป็นขี้ขาขี่เป็นขี้ขานั่งเป็นขี้ขานอนเป็นขี้ขาพบเป็นขี้ข่าส์เป็นขี้ขาเจ้าของเป็นบอยเจ้าของไถเป็นขี้ขากิเลสทันแล้วมันเป็นขี้ขามันกิเลสมันเป็นข่าเป็นทาตุของมัน ในสกลละกายนี่เรียบมุงลู่พระเจ้าเรียบโลกเรียบในสกลละกายนี่บนไหนบนบ่มีหลุมต่ายมีจักบอนบ่บนไหนบนบ่มีหลุมเก็บมีจักบอนบ่พระเจ้าเรียบโลกมังลูทัศน a z จรดมังลูทัศน a จรดในกายแล้วกัทัศน a z จรในควอมสวยอารมณ์มังลู สุกทุกเบียขาตั้งอยู่ได้นานบอกหัวฟีเกิด ค, คือมาแหละแตกสลายจอนมึงสัญญาค้อมจำมึง ด, เดูเดี๋ยวก็จำนั่นเดี๋ยวก็จำนี่เกิดดัดซับเปลี่ยนเหมือนกลุ่มเกียนเวียนวุน่วนโซนเผาจวันมึงวินญาณมึงดู เนื้กรเส็บจักคูวิญญานเนื้อกเส็บโสตาวิญญานเดียวกระเสบขาวิญญานเนียอกรเสบกายวิญนานเนกระเสบมโนวิญญานวนไปวนมาโยางสันี่นี่ความกำัดมีกั ราคะตันหารูปะตันหาสัทธะตันหาคันทะตันหาลาสะตันหาปพถะตัญหาธัมมะตันหารูปะวิตกสัทธะวิตุกขันทะวิตุกระสะวิตุกปุถะวิตุกธัมมะวิตุกรูปะวิจารสัทธะวิจารคันทะวิจารลสะวิจารปพถะวิจารเอ๋วนไปว่นมา กามตัญหาทเทเยอทะยานในค่วมหักภวะตัญหาทเทเยอตยานไ่อยากให้ค่วมหักผัดผ่าไปเดี๋ยกวก็พบวิภวะตัญหาสัมพยุทธ์ด้วยค่วมโกดเดียววิภาวะตัญหาซึงมุ่ยมีอยู่ในสูขคนผูมิหันพล ผู้ผลไปแล้วว่มี่ผู้พยายามละอยู่แต่น้อยลงผู้พยายามเห็นโทษน้อยลงอยู่ได้แไม่ล่าลืมตัวกับขบศขึืนอันนู้นนี่เห็นว่าศาสตร์ว่าพบ มันจะมีประไพณหล้วนๆคือหอก ค, คือเงาเนี่ยเห็นสัตว์ลองอย่างสั้นแล้วทั้งอันนี้ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเสมอนาของไส้แล้วความเพื่อนในวัตาทงสารมันสิบไปหาเสียงใสสั่ง มันจะไปหาเสียงก็หมวดใดสันพอาะที่เป็นพรรคมัน่นมันก็เหมือนท่าคนเนี้ยขอให้พี่กหน่าเนืองๆกันเถอ ะ, อะก็เห็นเอกะยั ง, งจะคุจักตามเป็นจริงของไฟของมั่นเนาะ มึงหึงังไม่ยามเอาคือเหี้ยนี่ก็บร้านเปาซาเนียขนกหมดแดือนจอไปกินจอดม <c oughs> ึงหึงมันม่ยามเอาคือเหี้ยนี่กั้านเปาซาที่เขาพ่อหน้าแด่เราควาบจะเป็นน้องเพื่อนทงเป็นหนุ่มๆมาดอก ที่เขาท่ากับโกงกับันว่ามันจุงว่าเขาใส่แเอ็กต์เลยซืข้อต่อเอ็กปินกดแพะแพะแพะมาเขาเขียนล่ำหงมไปเท่านั้นเองตอนคนไขหฮิยาด้วยว่า ยาชักง้ออะไรอม่น้องเปยนเ่นขึ้นกันโตขึ้นกันอันนี้นะมันยาหนีจากมันเนี่ยพญามามนั่ง้าวนาไปเล้วบาสมควรม่รัันมันว่ามันทำเลยหาพญามารเนี่ยมันยาหนีจากมันแต่มาเดินอยกมันนะวสมควรขอถยขอถวายระ คันว่าสมควรยิงโมพุนจา ก, กี่เหลียด ผ, ผุนบัดวัด่อนึงล่ะสมควรพอใส่พอซอยพอหวานกันออกมันมันยาดเาเองมันมเ น, นี่ย ม, มันย่านี้จักมันมันยานหุ่จักมันลบหนาลบล้งลบไก่ลบไก่เยอะขนาดนันปิ่นปวดหลอกล่วงมาย่ยเนาเฉยยอะานั้น ว่าลุกงามเท่ยงขึ้นกูสีลุกเท่านึงมาน้านนั่นนี่จังหวัดก็น่าพอว่าที่เสบสมควรพ่ว่ามั่ตัวสิตัวทับตัวบักกี้เลียด้กันโอ้ยมึอนี่จริงๆเขาอย่างน้องพาตื่นขึ้นมามันมันทํารฮัลตัวบักกี้เลียได้ังนี่พุชเหมกอย่งหมกน้องพอ ท่านซีดาบอกผมโจมตีเท่าที่ให้ ข, นขันคุบว่าอาจารย์มีญานเมื่ออืน่นไผ่ติดไส่บาดมีจะขอเป็นอย่างไรโอ้ยวิห้าสีซ่าหาจิตที่แย่กันนันว่าโตเขาใส้ไหนกะทีสมมุติว่าไดคือเก่าหันตัวาาากันเขาใส่ไหนกะทีสมมุติว่าเป็นใคือเก่าหันตัว ขาวอันไซจะไปบอกไปกอนมอ้มันเป็นทุกข์ว่ะแต่ข้าวอาันไซตวกอนห้าสิบอกดอกว่านว่งเนี่ยตัวเลยไปคืดมู่ไปบินทบาทเสมอเนี่ยอังสันมเป็นอารมณ์ว่ผมเนี่ยถึงข้าวผมปซื้อเลยว่ะพระจใไซเลยเนาอผู้นี่จใไซหรือผู้นี่พระิใไซนาะผมเ่ได้ออกมาไปจงหัวใจเลยว่ะเรื่องของผมป่อยผมก็มีว่าผมมีสิดป่อยผมกระไบเลยว่ะ นาที่เขามีสิดชิมาใส่ก็เป็นหน้าที่ของเขาสิทชิมาใส่ค้วไสโบขค้ใส่เป็นซิดของเขาอ่ะนาซิดที่ซิิดไปเนี่มันสิดท้องเฮ้าอ่ะไม่เป็นซิดคนละอันเลยว่ะว่ามันเนี่ยที่เอามาคดใช่ปะขันเขาสมมุติว่าได้วะท่านก็จะสมมุติว่าได้ขันมากินนี่ก็ทีเป็นเี้วของเกาฮันด้ว่าก็ทิมันหยั่งวะตัวสิไปสนใจอย่างฉั่นวะก็มาท้าผ้าวันน้าหาสิเตะกันนี่บ้หวังสิพลนถูกเรื่องอย่างวะผมจะวอกของฉันว่า <C oughs> ศาสตร์กร้อนคู่บอาจารย์เป็นยังมาโอขา <c oughs> เป็นยังมาอย่างนี้นมัน่นยิโย่ก็ไ่เป็นยังมาแล้วไม่ใช่และก็เป็นทุกข์แล้วยางมาเจ้อุดอรก็มาทุก ข, ข์ว่ะคำว่าสั้นาศาสตร์ว่าพบมันเป็นทุกข์ท่านบูเ้เชื่อว่าศาสตร์เป็นทุกข์เพราะันช่าจังที่มาสอน ก็ท่นนะท่านอาจารย์เนี่เกิดเป็นยังไงท่านค้า่าเกิดมันเป็นทุกข์ท่านบ่เสือบอกว่าท่านบ่เสือตัวท่านท่านยังถามว่าสาตร์ก้อนเนเกิดมาเท่าไรศาสตร์สร้างหัวมันถึงไหนมันถุกจะเกิดเป็นศาตร์ทุกข์เป็นพระอินทพระพุมพระยมพกาลนี่ยังก็ตามวะหรือหากว่าท่านเกิดเป็นพระอินทพระพุมพระยมพกาลจะตลกกับบาลทั้งี่มันมาเป็นทุกข์เสมอท่านตั้งชืมาส่อวะคำว่าสัง์มือท่านโมโหจักศาสตร์ที่ว่า่ ทุกบาเดียวท่าน่ผมระลึกศาตเยวบัดเอาวะนั่งขณะจิตเดียวท่านน่ะเกิดพอได้ศาสร์แสนศาสตกระตาล่อนศาตกระตมโกดศาสตก็ตามผมถือว่าสาสต์ทุกหลดวางสิผมตอบนี่โหลดวะเพราะตัวบอลมันกำข้อหอยมันโหลดวะม่ยดีว่ต้องออกไล่วะแค่งขาเข้าไปตักโหลดวะโั่างสิเพ่้ยงเช่หางพ่ยอม สัตวทุกตก็ไปคนที่วะเขาเชื่อว่าสาตทุกพวกแห้งอนี้เขาว่าคนได้เลี๋ยวนี้วะอืมที่คนนี่อย่งเงี้ยทำไเสียเวลาอย่างงี้ยเขาอาปัจจุบันน่าซาดเลยเป็นพญานะวะข้าวดมเอาอดีตมาเป็นพญานี่เดี๋ยวนี้วะข้าวดมเอาอนาคตมาเป็นพญานี้เดี๋ยวนี้วะเอาพญานเองในปัจจุบันนาซาดอีนี่ว่าเป็นพญานะ ผู้นิสยัยสุขวิ ป, ปตัตสโกมันต้องไปยังสิ่งลูกหลานเด้อมู้ตัวจะเทียงไรว่าสั่นตัวห้องส้างสุขวิปัสสโกเด้เลยเนี่ยสั่งบรมนี่วะห้องว่าส้างสะพินโยติส้มพิทตประตูคือมูเด <ung. S 1> ้ว <t> ่าอืะภาพหน้าเขาเราียกหอลดว่ะนิสัยหมกขลาวะห้องบ่เป็นนิสัยหมกขล่าได้วะเขาเป็นนิสัยพระชคกขุบานผ่ดวะดวงสิ กูห่บริษรัทวันีหลายเลยวะแสนกับเท่านีน้วะห่สร้างมาแล้วนี่มันจีพ่อแสนกับกับสาต์นี่กับพจักแล้ววะมูอตัวพุชักบริษัทวะช่วงมากแม่วะข้าเนี่ยนี่มันจังมันเป็นความพยานหาเอาาตในปจุบันนี่เทียบเลย อาปัจจุบันน่ะศาสนี่เทียบเลยเอาปัจจุบันนะเหตุปัจจุบันนี่ผลนี่เทียบเลยเมื่อสัตว์น่ะปัจจุบันนะเหตุปัจจุบันน่ะผลปัจจุบันนะศาสตเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอดีตนาคนปรวุ่นมันเฮงว่าสัตวมันจะทำขโมเมาให้แสดงเถื่อบอกพวกวิปัฒนาแก่กามันต้องกระเท้านี่พวกเกิร์นธรรมทะ ส่วนหนึ่งมีปัศนาสามส่วนมันต้องปลาแถวนี่พวกเกินสมถะสามส่วนมีปัศนาส่วนหนึ่งก็ต้องปลาแถวขจจังขจจว่าถือแท่ห้องคูอที่มันชัาไปยางี้พวกปัทนาทุกขาจะปัสโก ส, สั่งมาแ้มีทุกข์ทปัสโกพวกโทษสาจริตเตี้ยพวก พระโสดาบันเองก็ไี้กระทูส า, าจาริษผู้มีพืชเดียวอืมพระอนาค่ามีอันตระลาปนิพพายี่อุปหาจาปรปนิพพายิ่งสังขารปนิพพายี่สังขารปรนิพพายิ่งรรพวกนั้นกระทู้ส า, าจริศคือกันอุทัศน์โตอันนี้ทักษะค่ามี่พวกนั้นโมหจาริศเนี่ ต้องเลื่อนขึ้นไปเกิดอวิหาอัตปาสุสธิธีไปพระารหันสุขวิปัสสโกพระอระหันติวิชวชาพินโยพระทสัมเจาประโตนรัทธาจริสกามีโมหะจริสกามีพระพุทธเจ้าผู้สางบารมีเป็นวิริยะธิกะวกนั้น ออกคนเพี้ยนเป็นประมาณเนี่ยพวกโพลันโมฮาจริศเนี่พระพุทธเจ้าเขาเห่าทุธาจริศได้แต่ถ้าดูเร็วอืมบรรยทธิกะพวกโมหาจารินศเดินทางนี่มันกกงยังก๊กเหมือดนั่นมันนกเอียง น ก, น, น, นกอันนั้นนกอนันนี้ส้มนกส้มจนไร้คมสายนอนหันวา่าจะได้ส้มพอกโทษสายการีไดไปนี่เลยพวกปัญญาธิกาเนี่ยตัวสิบวันยังวาซะเขาบอกพาเขาบอกเรื่องสั่งบอกมันนะบานา